เคารพรักในพระผู้มีพระภาค พ, พระอนนท์มีอยู่อย่างสุดพนานายอมสละแม้แต่ชีวิตของท่านเพื่อพระพุทธองค์ได้อย่างเช่นครั้งหนึ่งระตถวทัศร่วมกับพระเจ้าอาชาติศัตรูวางแผนสังหารพระจอมุนีโดยการปล่อยช้างนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันและหมมเหล้าซส้นหกหม้อช้างนาราคิรียิ่งขนองมากขึ้นวันนั้นเวลาเช้า พระพุทธองค์มีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเข้าสู่นคราคราชคักรย์เพื่อบินธบาตในขณะที่พระองค์กําลังรับอาหารจากสตรีผู้หนึ่งอยู่นั้นเสียงแผลนแผลน์ของช้างนาลาคิรีดังขึ้นประชาชนที่คอยดักถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคแตกกระจายวิ่งเอาตัวรอดทิ้งภาชนะอาหารเกลืนกลาดพระพุทธองค์เหลือมาทางช้างใหญ่ซึ่งกําลังวิ่งมาด้วยอาการสงบ พระอนุลนพุทธอนุชาเดินล้ำมาเยืยนเบื้องหน้าของพระภูมีพระภาคโดยคิดจะป้องกันชีวิตของพระาศาสดาด้วยชีวิตของท่านเองเลีไปเถิดนอนุ์อย่าป้องกันเราเลยพระาศาสดาตรัสอย่างปกติพระองค์พูดเจริญชีวิตของพระองค์นั้นมีค่ายิ่งนนะักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลก ประดุจโพและใสเป็นที่พึ่งของหมู่นกเหมือนน้ําเป็นที่พึ่งของหมู่ปลาและป่าก็เป็นที่พึ่องอาศัยของสัตว์จตุบททวิบาทพระองค์จะเสี่ยงจากอันตรายครั้งนี้เลยชื่อของข้าพระองค์นะมีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์นะได้ฉละสิ่งซึ่งมีค่าน้อยนี้เพื่อรักษาสิ่งซึ่งมีค่ามากเหมือนฉละกระเบื้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งแก้มนีเถิดพระเจ้าค่ะอย่าเลยอาหนน บารมีเราน่ได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปรงตถาคตลงจากชีวิตได้ไม่ว่าสัตว์ดิเรกชันหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดๆขณะนั้นช้างนาราคิริวิ่งมาจูนจะถึงองค์พระจอมมณีอยู่แล้วเสียงร้องกรีดของหมู่สตรีดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกันทุกคนอกสันขวัญห น, นีนึกว่าครั้งนี้แล้วเป็นวาระสุดท้าย ที่เขาจะได้เห็นพระศาสดาผู้บริสุทธิ์ดุดดวงตะบันพระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาซึ่งทรงอบรมมาเป็นเวลายืดยาวนานหลายแสนชาติสร้างออกจากพาระอไทยัยกระทบเข้ากับใจอันคลุกเขาดด้วยปามืนเมาของนาราคีรีช้างใหญ่หยุดชะงักเหมือนกระทบกับเหล็กท่อนใหญ่ใจซึ่งเล่าร้อนกระวนกระวายเพราะโมหะสงบเย็นลง เหมือนไฟน้อยกระทบกับอุทษกทาราฟันก็ดับวูบลงมันหมอบลงแทบพระมงคลบาดของพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงใช้ฝาพระหัตถ์อันวิจิตซึ่งสำเร็จมาด้วยบุญญาธิการลูบศีรษะของพระยาช้างพร้อมด้วยตรัสว่านาวาคิรีเออยเธอถือกำเนิดเป็นดีรชานในชาตินี้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 ประชาชนเห็นเป็นอัศจรรย์พากันสักการะบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้และของหอมจำนวนมาก สงพระประชวนด้วยโลภลงในพระอุทธรพระอา น, นุ์เป็นห่วงยิ่งนักจึงได้ปรุงยาขู่คือข้าวต้มด้วยมือของท่านเองแล้วน้อมนาเข้าไปถวายพระพระพุทธองค์เคยตรัสว่ายาขูเป็นยาไล่ลมในท้องในลําไส้ได้ดีพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอานนุ์เธอได้ยาคูมาจากไหนข้าพระองค์ปรุงเองพระเจ้าค่ะอานนุ์ ทำไมเธอถึงทำอย่างนี้เธอทำสิ่งที่ไม่สมควรไม่เฉกิจของสมณนะเธอทราบไม่ใช่หรือว่าสมณะนะ่ะไม่ควรปรุงอาหารเองทำไมเธอจึงมักมากถึงป่านนี้ล่ะเอาไปเทเสียเถิดอานนท์เราไม่รับยาคูของเธอหรอกพระอานนท์คงก้มหน้านิ่งท่านไม่ได้ตรีปากโต้แย้งเลยแม้แต่น้อยท่านเป็นผู้น่าสงสารอะไรเช่นนั้น ครั้งหนึ่งพระกายของพระผู้มีพระภาคหมักหมมด้วยสิ่งที่เป็นโทษเป็นเหตุให้ทรงอึดอัดมีพุทธประสงค์จะเสวยยาระบายพระอา น, นุ์ทราบแล้วจึงไปหาหมอชีวกากุมารพัฏแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบหมอเรียนท่านว่าขอให้ท่านกราบทูให้พระองค์ทรงพักผ่อนเพื่อให้พระกายชุ่มชื่นสักสองสาวันพระอ น, นุ์กระทาตามนั้น ได้เวลาแล้วท่านก็ไปหาหมออีกหมอชีว่ากะได้ปรุงยาระบายพิเศษอบด้วยการอุบลสามกา้านถวายให้พระผู้มีพระภาคสูตรดมมิใช่เสเวยปรากฏว่าทรงระบายถึงสามสี่ครั้งครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโครทารามนครกบิลพัทพรงท่งทพ่อทรงฟื้นจากไข้หนักไม่นานท้ามาหานามเข้าเฝ้าและทูลถามปัญหานหนัก เช่นปัญหาว่ายานเกิดก่อนสมาธิหรือว่าสมาธิเกิดก่อนยานท่านอนุน์เห็นว่าจะเป็นการลำบากแก่พระผู้มีพระภาคจึงจับพระหัตถามหานามนำเสด็จออกไปข้างนอกและแก้ปัญหานั้นเสียเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับณ น, นครเวสาลีทรงประชวนหนักและทรงใช้ความเพียนขับไล่อาพาธนั้นจนหาย พระนรนทูลความในใจของท่านแด่พระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้ทรงเจริญเมื่อพระองค์ทรงประชวนอยู่นั้นข้าพระองค์กุ้มใจเป็นที่สุดกายของข้าพระองค์เหมือนงอมระเงมไปด้วยความรู้สึกเหมือนว่าทิศทั้งหลายมืดมนแต่ข้าพระองค์ก็เบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระองค์คงจะมาปรินิพพานจนกว่าจะได้ประชุมสงฆ์และตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มา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 ขั้นในระหว่างแล้วตรัสถามพระอนนนว่าอานนนเธอจะทำจีวรแบบนาของชาวมกตนี้ได้หรือไม่ลองทำดูก่อนพระเจ้าค่ะท่านทูลตอบต่อมาท่านได้ทำการเย็บจีวรแบบคนาของชาวมกฏนั้นแล้วนำขึ้นทูลกล้าวถวายให้พระภูมิพระภาคส่งพิจารณาพระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วเห็นชอบด้วย รับสั่งให้พิษูน์ทั้งหลายใช้จีวรที่ตัดและเย็บแบบที่ท่านอนอน์ออกแบบนั้นพร้อมกันนั้นได้ตรัสชมเชยท่านอนอนท่ามกลางสง่าว่าพิสุจทั้งหลายอนุนเป็นคนฉลาดมีปัญญาสามารถเข้าใจในคำที่เราพูดแต่โดยย่อได้โดยทั่วถึง พถึงเรื่องประหยัดหรือใช้สิ่งของให้คุ้มค่านั้นพระอานอน์ก็เป็นผู้ประหยัดและฉลาดในเรื่องนี้มากดังทั้งหนึ่งหลังพุทธปรินิพานท่านเดินทางโดยทางเรือไปสู่นครโกสัมพีเพื่อประกาศลงพระมทานแก่พระช น, นะพระหัวดือ้อตามรับสั่งของพระภูมิพระพาขึ้นจากเรือแล้วท่านเข้าอาศัยพักณอุทยานของพระเจ้าอุเทนราชาแห่งนครนั้น ขณะนั้นพระเจ้าอุทเทนและพระมเหสีประทับอยู่ในพระราชอุทยานพระมเหสีทรงทราบว่าพระอานนุ์มาก็ทรงโศมนัดทูลลาพระสวามีไปเยี่ยมพระอานนุ์สนทนาพอเป็นสำโมธนียกถาแล้วพระอานนุ์แสดงธรรมเป็นที่เลื่อมใสจับจิตยิ่งหนักพระนางได้ถวายจีวรห้าร้อยผืนแด่พระอานุนในเวลาต่อมาพระเจ้าอุเทนทรงทราบเรื่องนี้แทนที่จะทรงพิโรธพระมเหสี กลับทรงตำหนิพระอนนวลว่ารับจีวรไปทำไมมากมายหลายร้อยผืนจะไปตั้งร้านขายจีวรหรืออย่างไรเมื่อมีโอกาสได้พบพระอนนว์พระองค์จึงเรียนถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าทราบว่าพระมเหสีเนะี่ยถวายจีวรพระคุณเจ้าห้าร้อยผืนพระคุณเจ้ารับไว้ทั้งหมดหรือขอถวายพระพรอาตมาภาพรับไว้ทั้งหมด พระคุณเจ้าน่ะรับไว้ทำไมตั้งมากมายนะล่ะเพื่อแบ่งถวายทีสุดทั้งหลายผู้มีจีวรเก่าข้ามคร่าไงเจ้าจีวรเก่าข้ามคร่าไปทำอะไรล่ะเอาไปทำเพดานแล้วจะเอาเพดานเก่าไปทำอะไรก็เอาไปทำผ้าปูที่นอนแล้วจะเอาผ้าปูที่นอนเก่าไปทำอะไรก็เอาไปทำผ้าปูพื้น จะเอาผ้าปูพื้นเก่าน่ยไปทําอะไรอีกละ่ะก็จะเอาไปทําผ้าเช็ดเท้าแล้วจะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าเ่ยไปทําอะไรก็เอาไปทําผ้าเช็ดุเรีแล้วจะเอาผ้าเช็ดเุ เ, เ, ด ร, เ, เดรีเก่าเนี่ยไปทําอะไรก็เอาไปโครขย้ำกับโครนแล้วก็ฉาบทาฝาไงละ่ะพระเจ้าอุเทนส่งเรื่องใส่ว่าสมณะสักยะบุตรเป็นผู้ประหยัด ใช้ขอไม่ให้เสียเปล่าจึงถวายจีวรแกพ่พระอานุ์อีกห้าร้อยผืนพระอานนุ์นอกจากเป็นผู้กระตันยูต่อผู้ใหญ่แล้วยังสำนึกแม้ในอุปการะของผู้น้อยด้วยสิทธของท่านเองที่กระทำดีต่อท่านเป็นพิเศษท่านก่ออนุเคราะห์เป็นพิเศษเช่นคราวหนึ่งท่านได้จีวรมาเป็นจํานวนร้อยๆผืนซึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถวายขั้นละลึกถึงสิทธิรูปหนึ่งของท่าน ซึ่งทำอุปการะปฏิบัติต่อท่านดีมีการถวายน้ำล้างหน้าไม้ชำระฟันปัดปาาเสนาสนะที่อาศัยเวจักุ ด, ดีเรือนไฟโนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแปลว่าสิทธิผู้นี้ปฏิบัติ ด, ดีต่อท่านมากกว่าสิทธิอื่นๆและปฏิบัติอย่างสม่าเสมอท่านจึงมอบกีวรที่ได้มาทั้งหมดแก่สิทธิรูปดังกล่าวนี้เนื่องจากพระพิสุรูปนี้เป็นพระดีจริงๆ จึงนำจีวรที่อุปัชาัยยาะมอบให้ไปแจกพิสุผู้ร่วมอุปชัยยะเดียวกันจนหมดสิ้นดูหเหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระอานนท์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นด้วยพิสุทั้งหลายไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าพระเจ้าค่ะอัคติด้วยความเห็นแกนหน้ายังมีแก่พระโสดาบันหรือมีเรื่องอะไรหรือภิกษุเมื่อพิสุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้ว พระพุทธองค์จึงตรัสว่าพิกสุ้งลายการทำเพราะเห็นแต่หน้าหรืออากาติหามีแต่อนนนท์ไม่แต่ที่อานนต์ทำเช่นนั้นก็เพราะเระลึกถึงอุปการะของสิทธ้นั้นซึ่งปฏิบัติชอบต่อเธอหรือกเกินพิกษุ้งลายขึ้นชื่อว่าอุปการะผู้อื่นแม้แต่น้อยอันมันเด็ดพึงเระลึกถึง และหาทางตอบแทนในโอกาสอันควร อนุชาตอนดับพระนางมหาประชาพดีพระอนนต์เป็นผู้มีจิตเมตตากรุณาทวยเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้คอยเป็นธุระช่วยเหลือเท่าที่สามารถเม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร ดังเช่นเรื่องเกี่ยวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นต้นพระนางทรงเลื่อมใสและรักใคร่ในพระผู้มีพระภาคจริงหนักคราวหนึ่งทรงปลาโลว่าสักยะวงอื่นๆได้ถวายสิ่งของแด่พระผู้มีพระภาคบ้างได้ออกบัวตามบ้างแต่ส่วนพระนางเองยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อพระพุทธองค์เลยจึงตัดสินพระไถยจะถวายจีวรแด่พระผู้มีพระภาค พระนางเริ่มตั้งแต่ปั่นฝ้ายทองทอเองตัดและเย็บเองย้อมเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปถวายพระศ า, ศาสดาข้าแต่พระผู้มีพระภาคหม่อมฉันทำจีวรผืนนี้ด้วยมือของตนเองโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นขอพระผู้มีพระภาคทรงรับเพื่ออนุเคราะห์หม่อมฉันได้เถิดอย่าเลยอย่าถวายตถากตเลย ขอพระนางได้นาไปถวายพระพิสุรูปอื่นเถิดตถาคตนะมีจีวรใช้อยู่แล้วพระศาสดา ท, ทรงปฏิเสธอย่างอ่อนโยนพระนางอ้อนวอนถึงสามครั้งแต่พระศาสดาก็หาทรงรับไม่คงยืนยันอย่างเดิมพระนางถึงแก่โทมนัสเป็นอย่างยิ่งไม่อาจทรงกลั้นอสุชนไม่ได้ทรงน้อยพระไทยที่อุตสาตั้งพระไทยทาเองโดยตลอด ยิ่งเราเลิกถึงความหลังครั้งอดีตที่เคยอบอุ้มเลี้ยงดูพระพุทธองค์มาตั้งแต่ยาววัยด้วยแล้วยิ่งน้อยพระไทยหนักขึ้นพระนางทรงกันแสงนําจีวรผืนนั้นไปสู่สํานักพระสารีบุตรเล่าเรื่องให้ท่านทราบและกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าได้โปรดรับจีวรผืนนี้ไว้ด้วยเถิดเพื่ออนุเคราะห์ข้าพระเจ้าพระสารีบุตรทราบเรื่องแล้วก็หารับไม่ แนะนำให้นำไปถวายพระภิษุรูปอื่นและปรากฏว่าไม่มีใครรับจีวรผืนนั้นเลยพระนางยิ่งเสียพระทัยเป็นพันทวีในที่สุดพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์และให้พระนางถวายแก่พิสุบวชใหม่รูปหนึ่งและทรงปลอบให้พระนางคลายจากความเศร้าโศกและให้ร่าเริงมันเทิงได้บุญญากริยาอันยิ่งใหญ่นั้นว่าดูก่อนโคตมี ผ้าที่ท่านถวายแล้วนี้นะ่ยได้ชื่อว่าถวายสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพลานิสงฆนะ์มีมากกว่าการถวายเป็นส่วนบุคคลแด่พิสุรูปใดรูปหนึ่งหรือว่าการถวายแดกพระพุทธเจ้าเองโคตมีเอ่ยการที่จะถากคไม่รับจีวรของท่านนั้นไม่ใช่เพราะใจไม้ไส่ร ก, กระําอะไรหรอกแต่เพราะมุ่งประโยชน์อันสูงสุดที่จะพึงมีแก่ท่านเอง อาติบุคลิกฐานใดๆจะมีผลต่อสังฆทานหาได้ไหมอานอนท์เอย่ยข้อที่เธออ้อนวอนเราเพื่อรับจีวรของพระนางโคตมีโดยอ้างมาพระนางมีอุปการะมากแก่เรานั้นแล้วก็เคยเลี้ยงดูเคยให้น้ำนมและถือว่าเป็นผู้มีอุปการะมากนั้นเราก็เห็นอยู่แต่เพราะเห็นอย่างนั้นนั่นเองเราจึงต้องการให้พระนางได้รับประโยชน์อันไพศาล โดยการนำจีวรถวายแด่สง์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอานอนท์เอยการที่บุคคลได้อาศัยผู้ใดแล้วถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นการที่จะตอบแทนผู้นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายเลยการทำตอบแทนด้วยการถวายข้าวน้ำและเครื่องใช้ต่างๆและการเคารพกราบไหว้เป็นต้น ยังเป็นสิ่งเล็กน้อยคือไม่สามารถตอบแทนคุณความดีของท่านผู้นั้นได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อานน์ปาติบุคลิกรานมีอยู่ 14. ชนิดคือของที่ถวายแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของที่ถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าของที่ถวายแด่พระอรหันตสาวก ของที่ถวายแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผลของที่ถวายแด่พระอนาคามีของที่ถวายแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอนาคามิผลของที่ถวายแด่พระสกทาคามีของที่ถวายแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุสกทาคามีของที่ถวายแด่พระโสดาบัน ของที่ถวายแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปฏิพัธ์ของที่ให้แด่คนภายนอกพุทธศาสนาซึ่งปราศจากกามราคะของที่ให้แด่ปุตุชนผู้มีสีนของที่ให้แด่ปุตุชนผู้ทุศีแลแหลกของที่ให้แด่สัตติระชานอานน์ของที่ให้แก่สัตติรชานยังมีผลมากผลไพศสารอานน์ กล่าวหนึ่งเราเคยกล่าวแก่ปฤิภะชกผู้หนึ่งว่าบุคคลเทน้ําล้างภาชนะลงในดินด้วยตั้งใจว่าขอให้สัตว์ในดินได้อาศัยอาหารที่ติดน้ําล้างภาชนะนี้ได้ดื่มกินเถิดแม้เพียงเท่านี้เราก็ยังกล่าวว่าผู้กระทําได้ประสบบุญแล้วเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจะกล่าวไปใหญ่ในฐานที่บุคคลให้แล้วแก่ปุถุชนผู้ทุศีล หรือผู้มีศีลจนถึงแก่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีผลมากหรอกแต่ทั้งหมดนี้เป็นปาติบุคลิกทานคือทานที่ให้เจาะจงบุคคลเรากล่าวว่าปาติบุคลิกทานใดๆจะมีผลเท่าสังฆฐานมิได้เลยอ น, อนน์เอยต่อไปเบื้องหน้าจะมีแต่โคตภูสงคือสงผู้ทุศีล มีธรรมสามสักแต่ว่ามีกาสาวาพัทพันคอการให้ทานแก่พิสุทุูศีลเห็นป่านั้นแต่อุทิศ ส, สงก็ยังเป็นทานที่มีผลมากมีอนิสงภัยสารประมาณนีไ้ได้แล้วงหันไปตรัสแก่พระนาผู้มีจีวร อ, อันจักถวายว่าดู้ก่อนโคตมีเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้ถวายจีวรแด่สงซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในครั้งนี้ จึงจัดเป็นโชคลาภอันประเสริฐยิ่งแล้วพระนามหาประชาบดีโคตมีส่งเลื่อมสายศรัทธาปรารถนาจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเคยถูนอ้อนวอนขออนุญาตบวชเป็นพิสุนีตั้งแต่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ น, นันิโครทารามกรุงกบิลพัทแต่พระพุทธองค์ไม่ส่งอนุญาตส่งอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระพุทธองค์ก็หาทรงอนุญาตใหม่ จนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากนครกบิลพัดไปประทับณกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่กูตาคารสลาปามหาวันพระนางโคตมีพร้อมด้วยสตรีศักยวงศ์หลายพระองค์ทรงตัดสินพระไทยอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะบวชเป็นพิษุณีจึงพร้อมกันตรงพระเกษานุ่งห่มผ้ากาสายะเสด็จจากกรุงกบิลพัดด้วยพระบาทเปล่าไปสู่นครเวสาลีที่ประทับของพระศาสดา ทูลขอบรระชาอุปสมบทแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตตามเคยพระนางเสียประไทยและขมขื่นยิ่งหนักมาประทับยืนร้องห้อยู่ที่ประตูป่ามหาวัน โคตมีทรงเลื่อมสายศรัทธาปรารถนาจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเคยถูนอ้อนวอนขออนุญาตบวชเป็นภิษุณีตั้งแต่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นันในโครารางกรุงกบิลพัทแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตทรงอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระพุทธองค์ก็หาทรงอนุญาตใหม่จนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากนครกบิลพัทไปประทับณ ก, กรุงเวสาลี ประทับอยู่ที่กูดาคารสาลาป่ามาหาวันพระนางโคตมีพร้อมด้วยสตรีศักยะวงศหลายพระองค์ทรงตัดสินพระไถยางเด็ดเดียวที่จะบวชเป็นพิสุนีจึงพร้อมกันปรงพระเกศานุ่งห่มผ้ากาสายะเสด็จจากกรุงกบิลพัทด้วยพระบาทป่าวไปสู่นครเวสาลีที่ประทับของพระศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบทแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตต่างเคย นางเสียพระไทยและขมคืนยิ่งนักมาประทับยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูป่ามหาวันพระอนุนมาพบพระนางเข้าทราบเรื่องโดยตลอดแล้วมีใจกรุณาปรารถนาจะช่วยเหลือจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลอ้อนวอนเพื่อขอประทานอุปสมบทแก่พระนางโคตมีพระองค์ผู้เจริญพระนางโคตมีพระนาหนานของพระองค์ บัดนี้ปรงพระเจาแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะมีพระวรากายขมุกขมอมพระเสด็จโดยพระบาทมาจากนครกบิลพัดพระวรากายแปดปื้อนไปด้วยธุรีแต่ก็หาคำนึงถึงความระบากเรื่องนี้ไม่มุ่งพระไทยแต่ในเรื่องบรรพชาอุปสมบทพระนางเป็นผู้มีอุปการะมากต่อพระองค์เป็นผู้ประธานขีรทาราแทนพระมาณดา ขอพระองค์ได้ทรงอนุเคราะห์พระนางเถิดขอให้พระนางได้อุปสมบทเป็นพิษุณีตามพระประสงค์เถิดพระผู้มีพระภาคประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าอานนท์เรื่องที่พระนางมีอุปการะมากต่อเรานั้นเราสำนึกอยู่แต่เธอต้องไม่ลืมว่าเรานเป็นธรรมราชาต้องรับผิดชอบในสังฆมณฑล จะเอาเรื่องส่วนตัวนะมาปะปบบนกับเรื่องความเสื่อมความเจริญของส่วนรวมก็ต้องตรองให้ดีก่อนอนนท์ถ้าเปรียบสังคมมนทนของเราเป็นนาข้าวการที่ยอมให้สตรีมาบวชในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนปล่อยตัวเพลี้ยตัวมแมลงลงในนาข้าวนั้นลางแต่จะทําความพินาศวอดวายให้แก่นาข้าวอย่างไม่ต้องสงสัยอานน์เราเคยพูดเสมอไม่ใช่หรือว่า สตรีที่บุรษุษเอาใจเข้าไปคล้องนั้นน่ะเป็นมณฑินอย่างยิ่งของโรมอาจา ร, รย์อ น, อนนน์เออยถ้าศาสนาของเราจะพึงอยู่ได้พันปีแต่หากมีสตรีมาบวช ด, ด้วยจะอยู่ได้ห้าร้อปีเท่านั้นหรือสมมติว่าศาสนาของเราจะพึงดำรงอยู่ได้ห้าร้อปีเมื่อมีสตรีมาบวชได้ทำมวินายด้วยก็จะทอนลงเหลือเพียงครึ่งเดียวคือสองหปี อย่าเลยอานน์เธ อ, อย่าพอใจขวนขวายให้มีพิสุนีขึ้นในาศาสนาเลยจะเป็นเรื่องลาบากในภายหลังพระอาน o ์ผู้อันเมตตากรุณาเตือนอยู่เสมอก็ททำความพยายามต่อได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญถ้าสตรีได้บวชในธรรมวินัยของพระองค์นางจะสามารถหรือไม่ที่จะบรรลุคุณวิเศษมีสดาปฏิผลเป็นต้น อาทีเดียวอานน o ์นางสามารถจะทําให้แจ้งสึ่งคุณวิเศษมีโสดาปฏิพันธเป็นต้นได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าอย่างนั้นขอพระองค์โปรดประธานอนุญาตให้พระนางโคตมีบวชเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ประทับนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าอานน o ์ข้าพระนางโคตมีสามารถรับครุธรรมแปดประการได้ ก็เป็นอันว่าพระนางได้บรรพชาอุปสมบทสมปราถนาครูธรรมแปดประการนั้นก็มีดังนี้พิะสุณีแม้บวชแล้วตั้งร้อยปีก็ต้องทําการอภิวาทการลุกขึ้นต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมแก่พิะสุแม้ผู้บวชแล้วในวันนั้นพิะสุนีต้องไม่จํารรษาในอวาทที่ไม่มีพิะสุ พิสูจนีต้องถามมันอุโบสถและเข้าไปรับโอวาทจากพิสุทุกกึ่งเดือนพิสูจีจำภาษาแล้วต้องปวารณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนสั่งสอนจากสำนักทั้งสองคือทั้งจากพิสุจนีสงและจากพิสุสงพิสูจนีต้องอาบัตหนักเช่นสังฆาทิเศษแล้วต้องประพฤตมานัดตลอดสิ้าวันในสงทั้งสองฝ่ายคือทั้งในพิสูสง และพิสุนีสงฆ์นางสิกขมานาคือสตรีที่เตรียมจะบวชเป็นพิสุนีจะต้องประพฤติปฏิบัติศีลหข้อคือตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ6ให้ครบบริบูรณ์ตลอดเวลาสองปีขาดไม่ได้ถ้าขาดลงจะต้องตั้งต้นใหม่เมื่อทำได้ครบแล้วต้องอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายพิสุนีต้องไม่ด่าว่าเปรียบเลยหรือบริาพากิสู์ไม่ว่าการณีใดๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามพิษุนีว่ากล่าวสั่งสอนพิสุขให้พิสุขว่ากล่าวสั่งสอนพิษุนีได้ฝ่ายเดียวดูก่อนอันนนท์นี่และคุรุธรรมทั้งแปดประการซึ่งพิษุนีจะต้องสักการะเคารพนับถือบูชาตลอดชีวิตจะล่วงละเมิดนี้ได้พระอานนท์จำคุุธรรมแปดประการได้แล้วทูลลาพระผู้มีพระภาคไปเฝ้าพระนางโคตมี เล่าบอกถึงเงื่อนไขแปดประการตามพระพุทธลําดับแล้วกล่าวว่าโคตมีท่านพอจะรับครุธรรมแปดประการนี้ได้อยู่หรือถ้าท่านรับได้อันนี้แหละเป็นบนรรพชาอวบสมบทของท่านปราภุมีพระภาคตรัสมาอย่างนี้พระนางโคตมีปลื้มพระทัยยินะ่งนักพระนางเป็นเหมือนสุภาพสตรีซึซ่งอาบน้ําชำระ ก, กายอย่างดีแล้วนุ่งห่มด้วยผ้าใหม่มีราคาแพง ปลักพรมน้ำหอมเรียบร้อยแล้วมีพวงมาลัยซึ่งทำด้วยดอกไม้หอมลงสูงศรีรษะสตรีนั้นหรือจะไม่พอใจฉันใดก็ฉันนั้นพระนางทรงรับครุธรรมแปดประการทันทีและปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิต พระองค์จึงไม่ประสงค์ให้สตรีได้บวชเป็นภิษุนีเหตผลแจ่มแจ้งจอยู่แล้วในพระดำรัสของพระองค์น่าจะทรงเกรงความยุ่งเหยิงอันจะพึงเกิดขึ้นในภายหลังในครู ธ, ธรรม8ก็มีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งบรรัญญัติว่าพิษุนีจะต้องอยู่อาวาสเดียวกับพระสงฆ์แยกสำนักไปตั้งเป็นอิสระอยู่ต่างหากไม่ได้แต่คงจะให้แบ่งเขตกันม่ใช่อยู่ปากปนกันเรื่องที่ทรงห้ามม่ให้ภิสุณีแยกไปตั้งสำนักต่างหากนั้นนะ่ะ เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายคือพิสุนีคุ้มครองรักษาตัวเองไม่ได้พวกอันธพาลอาจจะบุมบามเข้าไปก่อกวนให้ได้รับความเดือดร้อนคราวนี้มาถึงปัญหาอีกข้อหนึ่งว่าทีแรกนะดูเหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระพุทธองค์จริงๆที่จะไม่ยอมให้พิสุจนีมีขึ้นในาศาสนาแต่มายอมจำนนต่อเหตุผลของพระ อ, อนนล์อ ย, อย่างไรจึงยอมให้ภายหลังเรื่องนี้กล่าวแก้กันว่า พระพุทธองค์จะยอมจำนวนต่อเหตุผลของพระอานุนก็หาไม่ได้แต่พระองค์ต้องการให้เป็นเรื่องยากคือให้บวชได้โดยยากเพื่อพิสษุนีจะได้ถนอมสิ่งที่ตนได้มาโดยยากนั้นและต้องการพิสูจน์ความแน่วแน่เด็ดเดียวของพระนางโคตมีด้วยว่าจะจริงใจแค่ไหนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้พระพุทธองค์น่าจะไม่ประสงค์ให้พิสษุนีมีขึ้นในาศาสนาจริงๆแต่ที่ยอมนั้นยอมอย่างขัดไม่ได้ และจะเห็นว่าเมื่อยอมโดยขัดไม่ได้แล้วพระองค์ก็ทรงวางระเบียบไว้อย่างทียิบเพื่อบีบคั้นให้พิษุนีหมดไปโดยเร็วศิกขาบทที่มีในพระปาติโมกของพระสงฆ์มีเพียงร้อยห้าสิบข้อหรือที่รู้กันว่าพระสงฆ์มีศีล227ข้อแต่พิษุนีมีถึง311ข้ออาบัติเบาๆของพระแต่เมื่อพิษุนีทาเข้ากลายเป็นเรื่องหนัก แปลว่าพระพุทธองค์ประสงค์ให้พิษุณีหมดไปโดยเร็วและความประสงค์ของพระองค์ก็สำเร็จผลปรากฏว่าในสมัยที่พระองค์นิพานนั้นมิได้มีเรื่องกล่าวถึงพิษุนีเลยสนิทฐานกันว่าพิษุนีอาจหมดแล้วก็ได้มาโผล่ขึ้นอย่างไรในสมัยพระเจ้าอาโศกอีกเมสทราบข้อที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือปวัตตินีหมายถึงอุปชัยยะผู้ให้พิษุนีบวชรูปหนึ่งบวชพิษุนีได้หนึ่งรูป ตอนหนึ่งปีและต้องเว้นไปหนึ่งปีจึงจะบวชได้อีกรูปหนึ่งแบบนี้นะ่ะหมดแน่บางท่านนะ่ะให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้มีพิษุณีนั้นนะเพราะต้องการให้สตรีเป็นกองสเบียงการบวชเหมือนการออกรบกองทัพถ้าไม่มีสเบียงก็ไปไม่ไหวให้ผู้หญิงอยู่เป็นกองเสเบียงบำรุงศาสนาจักรซึ่งมีพระเป็นทหารและพระพุทธองค์นั้นก็เป็นพระธรรมราชา อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ทรงยอมให้บวชนั้นก็เพราะว่ามีพระ ก, กรุณาต่อสตรีไม่ต้องการให้สตรีนละต้องลำบากการบวชเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องระจญภัยน า, นานาประการผู้บวชอยู่ได้ต้องเป็นคนเข้มแข็งมีใจคนอ่อนแอสตรีเป็นเพศอ่อนแอพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้ลำบากเรื่องที่มีสิขาบทชัป ญ, ญัติมากสำหรับพิสุนีนั้นบางท่านให้เหตุผลว่า เพราะิสุณีเป็นลูกหญิงของพระพุทธเจ้าธรรมดาลูกหญิงพ่อต้องเป็นห่วงมากกว่าลูกชายและมีข้อห้ามมากกว่าจะปล่อยมาลูกชายไม่ได้ทั้งนี้ก็ด้วยความหวังดีหวังความสุขความเจริญนั่นเอง อนุชาตอนความรักค <awa> วามร้ายนอกจากมีเมตตาการุณาหวั่นใจในความทุกข์ยากของผู้อื่นแล้วพระอนุลยังเป็นผู้สุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งอีกด้วย ความสุภาพอ่อนโยนและลักษณะอันน่ารักมีรูปงามผิวพรรณดีนี่เองได้เคยคล้องเอาดวงใจใ น, น้อยๆของสตรตีผู้หนึ่งให้หลงไหลไฝ่ฝันโดยที่ท่านไม่ได้มีเจตนาเลยเรื่องเป็นดังนี้คราวหนึ่งท่านเดินทางจากที่ไกลมาสู่วัดเชตวันอากาศซึ่งร้อนอบอ้าวในเวลาเที่ยงวันทำให้ท่านมีเหงื่อโรมกายและรู้สึกกระหายน้า พอดีเดินมาใกล้บอ่อน้ำแห่งหนึ่งเห็นนางทาสีกำลังตักน้ำท่านจึงกล่าวขึ้นว่าน้องหญิงอาตมาเดินทางมาจากที่ไกลรู้สึกกระหายน้ำถ้าไม่เป็นการรบกวนอาตมาขอบินทบาดน้ำจัดท่านดื่มพอแก้กระหายด้วยเถอะนางทาสีได้ยินเสียงอสุภาพอ่อนโยนจึงเงยหน้าขึ้นดูนางตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็ถอยออกห่างท่านทรงสามก้าพลางกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายน้ำแก่ท่านไม่ได้หรอกท่านไม่ควรดื่ม น, น้ำจากมืออันต่ำช้าของข้าพเจ้าท่า น, นเป็นวันนะกษัตริย์ข้าพเจ้าเป็นเพียงนางทาสีอย่าคิดอย่างนั้นเลยน้องหญิงอาตมาไม่มีวันนะแล้วอาตมาเป็นสมณะสกยบุตร อาตมาไม่ได้เป็นกษัตริย์พราหมณ์ไวยสยะหรือว่าสูตรอาตมานะเป็นมนุษย์เหมือนน้องหญิงนี่แหละข้าพเจ้าน่ะเพีงแต่จะเป็นมูลทิงแก่พระคุณเจ้าและก็เป็นบาปแก่ข้าพเจ้าที่ถวายน้ําการที่ท่านจะรับของจากมือของคนต่างวรรณะและโดยเฉพาะวรรณะที่ต่ำอย่างข้าพเจ้าด้วยแล้ว่ะข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยความจริงข้าพเจ้าไม่ได้หวงน้ําหรอกน้องหญิง มนทินและบาปจะมีแก่ผู้มีเมตตากรุณาไม่ได้หรอกมนทินนะ่ยย่อมมีแก่ผู้ประกอบกรรมชั่วบาปนะ่ะย่อมมีแก่ผู้ไม่สจริตการที่อาตมา ข, ขอน้ําและน้องหญิงจะให้น้ํานั้นนะเป็นธรรมธรรมนะ่ยย่อมกดเครื่องบาปและมนทินเหมือนน้าสะอาดชาระสิ่งสกปรกฉชนั้นเนี่ยน้องหญิงบัญญัติของพราหมเรื่องบาปและมนทินอันเกี่ยวกับวั น, นะนั้นนี่ะ เป็นมัญญิที่ไม่ยุติธรรมเป็นการแบ่งแยกมนุษย์ให้เหินห่างจากมนุษย์เป็นการเหยียดหยามมนุษย์ด้วยกันเรื่องนี้นะ่ะอาตมาไม่มีแล้วอาตมาเป็นสมณะสักยะบุตรสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีวันนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องหญิงต้องการจะให้น้ำก็จงเทลงในบาทนี้เถิดนางรู้สึกจับใจในคำพูดของพระ อ, อ น, นุ์ ครั้งนี้นะ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตของนางที่ได้ยินคําอันเรื่นหูจากชนซึ่งสมมุติเรียกกันว่าชั้นสูงมืออันเรียวงามสั่ง น, น้อยๆของนางค่อยๆประจงเทน้ํำในหม้อลงในบาทของพระอ น, นุลในขณะนั้นนางนั่งคุกเขา่าพระอ น, นุลยืนโน้มตัวลงรับน้ําจากนางแล้วดื่มด้วยความกระหายนางช้อนสายตาขึ้นมองดูพระอ น, นุล ซึ่งกำลังดื่มน้ำด้วยความรู้สึกปิติซาบซ่านแล้วยิ้มอย่างเอียงอายขอให้มีความสุขเถิดน้องหญิงเสียงอันไพเราะจากพระอ น, นุนหน้าของท่านยิ่งแจ่มใสขึ้นเมื่อได้ดื่มน้ำระงับความกระหายแล้วพระคุณเจ้าดืม่มอีกหน่อยเถอะนางพูดพลางเอียงหม้อน้ำในท่าจะถวายพอแล้วน้องหญิง ขอให้มีความสุขเถิดพระคุณเจ้าทำยังไงข้าพระเจ้าจงงึงจะทราบนามของพระคุณเจ้าพอเป็นมงคลแก่โสดและความรู้สึกของข้าพระเจ้าบ้างน้องหญิงไม่เป็นไรหรอกน้องหญิงเคยได้ยินชื่อพระอานนุ์อนุชาของพระพุทธเจ้าหรือไมล่ล่ะเคยได้ยินพระคุณเจ้าเคยเห็นท่านไหมละ่ะไม่เคยเลยพระคุณเจ้า เพราะข้าพเจ้านะ่ทำงานอยู่เฉพาะในบ้านแล้วก็มาตักน้ำที่นี่ไม่มีโอกาสไปที่ใดเลยเวลานี้นะ่น้องหญิงกำลังสนทนากับพระ อ, อนนท์อยู่แล้วละ่ะนางมีอาการตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วแววแห่งปิติค่อยๆฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาพระคุณเจ้าเป็นมงคลแก่โสดและดวงตาของข้าพเจ้ายิงนะ่งที่ได้ฟังเสียงของท่าน และได้เห็นท่านผู้มีศีลผู้มีเกียรติศักดิ์ระบือไปไกลข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นและได้สนทนากับท่านโดยไม่รู้มาก่อนนับเป็นบุญอันประเสริฐของข้าพเจ้ายิ่งแล้วแลแล้วพระ อ, อนุ์ก็ลานางทาสีเดินมุ่งหน้าสู่วัดเชตวันอันเป็นที่ประทับของพระศาสดา ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังท่านเหลียวดูปรากฏว่าเป็นนางคาสีที่ถวายน้ำนั่นเองเดินตามมาท่านเข้าใจว่าบ้านของนางคงจะอยู่ทางเดียวกับที่ท่านเดินมาจึงไม่ได้สงสัยอะไรและเดินมาเรื่อยๆจนจูนจะถึงซุ้มประตูไม่มีทางแยกไปที่อื่นอีกแล้วนอกจากทางเข้าสุวัตท่านเหลียวมาเห็นหนางคาสีเดินตามมาอย่างประชันชิด ในตาก็จ้องมองดูท่านตลอดเวลาท่านหยุดอยู่ครู่หนึ่งพอนางเข้ามาใกล้ท่านจึงกล่าวว่าน้องหญิงเธอจะไปไหนล่ะนั่นจะเข้าไปในวัดเจตวันนี้แหละเธอจะเข้าไปทําไมก็ไปหาพระคุณเจ้าสนทนากับพระคุณเจ้าอย่าเลยน้องหญิงเธอไม่ควรจะเข้าไป ที่นี่นะ่ะเป็นที่อาศัยอยู่ของพระสงฆ์เธอไม่มีธุระอะไรอย่าเข้าไปเลยเธอกลับบ้านเถอะข้าพเจ้าไม่กลับข้าพเจ้ารักท่านข้าพเจ้าไม่เคยพบใครดีเท่าพระกุณเจ้าเลยน้องหญิงพระาศาสดาตรัสว่าปกติของคนเรานะ่อาจจะรู้ได้โดยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องมีโยนิโสมนสิการ และต้องมีปัญญาจึงจะรู้ว่าคนนั้นคนนี้น่นนนะมีปกติยังไงคือดีหรือไม่ดีที่น้องหญิงพบเราเป็นครู่เดียวยจะตัดสินได้ยังไงล้วว่าอาตมาน่ะเป็นคนดีอาตมาน่ะอาจจะเอาชื่อพระอานนท์มาหลอกเธอก็ได้อย่าเข้ามาเลยกลับเสอะพระคุณเจ้าจะเป็นใครก็ช่างเถอะถ้าพระเจ้านะ่ะรักท่านซึ่งข้าพเจ้าสนทนาอยู่ด้วยเวลานี้นะ่ะ น้องหญิงความรักน่ะเป็นเรื่องร้ายม่ใช่เป็นเรื่องดีหรอกพระศาสดาตรัสว่าความรักน่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกโศกและทรมานใจเธอชอบความทุกข์หรือไงข้าพเจ้าไม่ชอบความทุกข์เลยพระคุณเจ้าและความทุกข์นั้นนะ่ะใครๆก็ไม่ชอบหรอกแต่ข้าพเจ้าชอบมีความรักโดยเฉพาะรักพระคุณเจ้านะ่ะ จะเป็นไปได้อย่างไงน้องหญิงไปเมื่อทำเหตุก็ต้องไดนรับผลการที่จะให้มีรักแล้วไม่ให้มีทุกข์ติดตา ม, มานั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยลนะ่ะแต่ข้าพเจ้ามีความสุขนะเมื่อได้เห็นพระคุณเจ้าได้สนทนานกับพระคุณเจ้าผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้ารักอย่างสุดหัวใจเลยทีเดียวลนะ่ะถ้าไม่ได้เห็นอาตมา ไมไ่สนทนากับอาตมาหนะน้องหญิงจะมีความทุกข์ไหมล่ะแน่นอนทีเดียวข้าพเจ้าจะต้องมีความทุกข์อย่างมากนั่นแปลว่าความรักน่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่ล่ะพระคุณเจ้านั่นเป็นเพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากล่ะมิใช่เพราะความรักถ้าไม่มีรักน่ะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักจะมีได้หรือไม่ล่ะ มีไม่ได้เลยพระคุณเจ้านี่แปลว่าน้องหญิงนะ่ะยอมรับแล้วใช่ไม้มละว่าความรักนะ่ะเป็นสาเหตุชั้นที่หนึ่งที่จะให้เกิดทุกขนะ์น่ะพระอนนท์พูดจบแล้วยิ้มงงน้อยๆด้ยรู้สึกว่ามีชัยแต่ใครเราจะเอาชนะความปรารถนาของหญิงได้ง่ายๆลองจะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้เพราะธรรมชาติของเธอมักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ถ้าผู้หญิงคนใดใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาชีวิตหรือในการดำเนินชีวิตหญิงคนนั้นจะเป็นสตรีที่ดีที่สุดและน่ารักที่สุดเหตุผลที่กล่าวนี้ไม่ใช่มากมายอะไรเลยเพียงไม่ถึงตึงเท่านั้นด้วยเหตุนี้แม้นางจะมองเห็นเหตุผลของพระอนุ์ว่าคมคายอยู่แต่นางก็หายอมไม่นางกล่าวต่อไปว่าพระกุญเจ้า ความรักที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมานั้นนะ่ะเห็นจะเป็นความรักของคนที่รักไม่เป็นเสลกระมังคนที่รักเป็นน่ะย่อมรักได้โดยไม่ให้เป็นทุกข์น้องหญิงนะ่ะเคยรักหรือหมายถึงเคยรักใครคนใดคนหนึ่งมาบ้างหรือไม่ล่ะในชีวิตที่ผ่านมานะไม่เคยมาก่อนเลยครั้งนี้นะ่ะเป็นครั้งแรกและคงจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยอ่า เมื่อไม่เคยมาเลยเนี่ยทำไมเธอจึงจะรักให้เป็นโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ละน้องหญิงคนที่จับไฟนั้นนะ่ะจะจับเป็นหรือจับไม่เป็นจะรู้หรือไม่รู้ถ้า้องได้จับไฟได้วยมือแล้วแล้วก็ย่อมร้อนเหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่พระคุณเจ้าความรักนะ่ะก็เหมือนการจับไฟนั่นแหละทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟมีอยู่ทางเดียวคือจะจับไฟเล่นกับไฟ ทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉันนั้นน่ะมีทางเดียวคืออย่ารัก